จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราชส5 5พันหเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาพัฒนาสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่แท้จริงนั่นก็คือการพัฒนาจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเหมือนกับสิ่งอื่นๆทั้งหลายสิ่งอื่นทั้งหลายนี้มีอนิจจัง คือความไม่เที่ยงเป็นธรรมชาติส่วนใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่สูญสลายไปดังนั้นการพัฒนาของใจจึงไม่เสื่อมไปกับการเสื่อมของสิ่งอื่นๆทั้งหลายเช่นความเสื่อมของร่างกายเราพัฒนาใจของเราได้มากเท่าไหร่ เราก็ยังจะรักษาการพัฒนาได้มากเท่านั้นเพราะมันไม่ได้เสื่อมหมดไปกับร่างกายไม่เหมือนกับการพัฒนาลาบยศซึ่งเป็นสิ่งที่ในธรรมชาติของเขาเองเขาก็มีความเสื่อมและเมื่อร่างกายนี้เสื่อมหรือตายไปแล้วทรัพ หรือยศที่ได้พัฒนามาก็จะหมดไปกับร่างกายเช่นเราท ร, รมาหากินสร้างฐานะมีเงนินมีทองร่ำรวยมีบุตรมีทิดามีสามีมีภรรยามียศมีตำแหน่งต่างๆแต่พอถึงเวลาที่เราตายไปสิ่งเราต่างเรานี้ที่เรามีอยู่นี้ก็จะ หมดไปจากเราก็จะตกเป็นของคนอื่นไปภรรยาเราหรือสามีเราก็อาจจะหาสามีหรือหาภรรยาคนใหม่ต่อไปสมบัติที่เราหามาได้มากน้อยเพียงไรเขาก็เอาไปแบ่งกันยศที่เราได้มาเขาก็เอาคืนไปเพื่อจะได้แต่งตั้งคนอื่นต่อไปแต่ ใจของเราที่ได้รับการปนาการพัฒนามานี้จะไม่มีใครเอาไปได้เช่นถ้าเราพัฒนาใจของเราให้เป็นเทพก็ยังเป็นเทพอยู่พัฒนาให้เป็นพรหมก็ยังเป็นพรหมอยู่พัฒนาให้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็ยังจะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้ ติดอยู่กับใจใจอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้ก็จะไปกับใจและไม่มีใครสามารถที่จะแย่งจากใจไปได้พระพุทธเจ้าจึงทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาใจตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตรใหม่ๆมีโหรได้ทำนายไว้ว่าถ้าอยู่ในวังอยู่เป็นค า, ารวาสก็จะได้เป็น พระมหาจากักรพรรดิแต่ถ้าได้ออกจากวังแล้วออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาเป็นพระอาหารหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าการเป็นพระพุทธเจ้ากับการเป็นมหาจากักรพรรดนี้มีความต่างกันนี้เหมือนฟ้ากับดินการพัฒนาเป็นมหาจากักรพรรดนี้ถึงจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก แต่ก็มีวันสิ้นสุดดรืยจักรพรรดนั้นมีมาแล้วก็มีไปถ้าเราศึกษาในอนดีตดูมีจักรพรรดิหลายคนแต่เขาก็ไม่อยู่คำฟาพอร่างกายเขาหมดสภาพไปความเป็นจักรพรรดิของเขาก็หมดไปแต่การเป็นพระพุทธเจ้านี้มันไม่หมดไปกับการตายของร่างกายพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ ยังเป็นพระอาหารหันต์ะคือเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสเป็นผู้ที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่ไม่ต้องไปใช้บาปใช่บุญในภพต่างๆนี่คือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ใจเมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว ก็จะไม่เสือ่อมเช่นสมมุติชาตินี้เราพัฒนาได้ขั้นนี้พอชาติหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็พัฒนาขั้นต่อไปได้เลยถ้าเราอยู่ขั้นที่หนึ่งเราก็ขึ้นขั้นที่สองไปเหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือถ้าเราจบป .6 ที่เมือง น, นี้แล้วเราย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่งเราก็ไปเรียนชั้นป .7 ต่อไป เราไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นที่ปอนอย่างใหม่แต่การพัฒนาราบยศนี้มันต้องกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่สมมติว่าเราตายไปแล้วแล้วกลับมาเป็นสุนัขในบ้านของเราเราจะไม่สามารถมาเรียกร้องสมบัติของเราได้สมบัตินี้ก็เป็นของคนอื่นไปหรือถ้าเรากลับมาเป็นมนุษย์เ ร, เราก็ต้องมาสร้างใหม่ ถ้าไม่ได้กลับมาอยู่ในบ้านเดิมถึงแม้กลับมาอยู่ในบ้านเดิมทรัพย์ของเราทั้งหมดนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องเอาคืนมาได้เพราะผู้ที่เขารับมรดกเขาก็จะไม่เชื่อว่าเราเป็นเจ้าของถึงแม้เราจะบอกว่าเราระลึกชาติได้ชาติก่อนเราเป็นพ่อของพวกลูกหลานที่ได้รับมรดกนี้อยู่แต่พอเรากลับมาเกิดใหม่เ ป, เป็นเป็นเลงเป็นหลาน เราจะมาเรียกร้องสมบัติว่าเป็นของตนนี้ก็จะไม่มีใครเชื่อจะไม่มีใครยอมยกให้ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เคยเป็นนายพลก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ต้องไปเรียนโรงเรียนในร้อยใหม่ออกจากเรียนนร้อยก็มาเป็นนายร้อยนายพันกว่าจะขึ้นไปเป็นนายพลได้พอไม่นานก็ตายไปก็หมดไป นี่คือการพัฒนาทางโลกเป็นอย่างนี้เป็นการพัฒนาที่พวกเราทำกันเพราะพวกเราไม่เห็นว่าเรามีใจนั่นเองเราไม่รู้ว่าเรามีใจที่ยั่งยืนเราไม่รู้ว่ามีใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพัฒนาให้กับจิตใจนี้ไม่หมดไปกับการตายของร่างกายมีพระพุทธเจ้า องค์เดียวเท่านั้นที่มีความฉลาดที่จะเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาจิตใจเพระพุทธเจ้าจึงไม่เลือกเป็นพะระจักพัฒนเพราะทรงเห็นว่ามันไม่นานเป็นได้ไม่นานอย่างมากก็อายุห0สบก็หมดหมดกำลังแล้วต้องให้คนอื่นเขาไปแล้วแต่เป็นพระพุทธเจ้านี้เป็นไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดแม้ขณะ น, นี้ท่านก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่พระทัยหรือใจของพระพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากวันที่ทรงสละดับละขันสเสด็จประนิพานไปเมื่อ 2,500 ัารกว่าปีมาพระทัยหรือใจของพระพุทธเจ้าก็ยังสะอาดบริสุทธิ์เหมือนเดิมมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจ มีพระนิพานเป็นที่สถิตยอยู่นี่คือความอัศจรรย์ของใจและความอัศจรรย์ของผู้รู้ใจก็คือพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะนี้แปลว่าผู้รู้รู้อะไรก็รู้ใจนี้เองรู้ว่าใจนี้ไม่เสื่อมไม่ตายไปกับร่างกายรู้ว่าสิ่งที่พัฒนาให้กับใจนี้ไม่เสื่อมไปกับร่างกาย จะคงอยู่กับร่างกายไปจนกว่าจะพัฒนาจนถึงขีดสูงสุดเมื่อถึงขีดสูงสุดแล้วก็ไม่ต้องพัฒนาอีกต่อไปไม่เหมือนกับการพัฒนาทางโลกทางลาบยศต้องพัฒนาซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยไปทุกภพกทุกชาติกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาสร้างใหม่แล้วก็ต้อง แล้วก็ต้องเสียไปเมื่อมันเมื่อเมื่อร่างกายตายไปแต่การพัฒนาใจนี้มันมีผลต่อเนื่องมันจะทำให้เราไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เช่นเดียวกับการทำบุญนี้ก็เหมือนกันการทำบุญนี้ก็เป็นการสะสมทรัพสมบัติข้าวของเงินทองที่เรา หาได้ในชาตินี้เอาไว้ใช้ในชาติหน้าได้ถ้าเราเอาเงินทองที่เราได้อยู่นี้ไปทําบุญให้ทานพอเราตายไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เงินทองที่เราได้ทําบุญไปก็จะรอเราอยู่เราก็จะได้กลับมาเกิดแล้วรวยเลยไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่คนที่เกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นเขาได้ทาบุญไว้ในอดีต เขาจึงได้มารับผลบุญที่เขาได้ทำเอาไว้บุญที่เราทำไว้ทุกบาททุกสตางค์นี้มันไม่สูญหายไปไหนเช่นเดียวกับศีลที่เรารักษามันก็ไม่สูญหายไปไหนเพราะศีลนี้ก็จะเป็นตัวที่จะให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพระอริยเจ้า ถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกไปเกิดเป็นเปรตเพราะนี่คือกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้ความดีและความชั่วเป็นตัวจําแนกแยกสับให้เกิดสูงหรือเกิดต่ำต่างที่พระบาลีได้ตัดไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจําแนกแยกสับ ต, ต่างๆแยกให้พวกเรา เกิดมาแล้วมีความสูงมีความต่ำไม่เท่ากันมีบารมีไม่เท่ากันมีความสวยงามไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากันมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่เท่ากันนี่เกิดจากการกระทัของเราในพุ่มก่อนๆถ้าเราทำบุญมากเราก็จะมีบารมีมากมีวาสนามากถ้าเราทำบาปมาก เราก็จะมีกรรมมากมันเป็นกฎตายตัวที่ไม่มีใครจะสะมาลบล้างได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สําคัญจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่สําคัญถ้าทําแล้วผลจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอเช่นการปลูกต้นไม้ปลูกผ ล, ลไม้เราปลูกผ ล, ลไม้ชนิดใดไว้เราก็ต้องได้รับผลชนิดนั้น ปลูกกล้วยก็ต้องได้กล้วยปลูกสับประรดก็ต้องได้สับประรดจะปลูกกล้วยแล้วไปหวังได้สับประรดนี้เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่อยู่ในภายใต้ของเหตุและผลนั่นเองอกฎแห่งกรรมก็คือกฎของเหตุผลกรรมก็คือการกระทำเป็นเหตุผลก็คือวิบากก็คือความเจริญหรือความเสือ่อม ความสุขหรือความทุกข์ที่พวกเรามีกันพวกเราเกิดมาในโลกนี้ด้วยกันเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เรามีฐานะที่แตกต่างกันบางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็มียศตำแหน่งสูงบางคนก็ไม่มียศไม่มีตำแหน่งบางคนก็มีคนสรรเสริญยกย่องบางคนก็มีแต่ตํำหนิ มีแต่ปานาบางคนก็มีความสุขมากบางคนก็มีความทุกข์มากเป็นเพราะอะไรก็เป็นพออเนพราะกรรมนี่แหละคือการกระทาที่พวกเราทำกันอยู่พวกเราไม่รู้ว่าการกระทาที่ดีนั้นเป็นประโยชน์กับเราเพราะเราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเช่นเราอยากจะทำความดีเราก็ต้องเสียเงินเสียทอง เช่นวันนี้เราเอาเงินเาอาทองมาซื้อข้าวของต่างๆมาถวายพระเราต้องเสียเงินเราก็เลยไม่อยากจะทาคนที่ไม่อยากจะทำเขาก็ไม่ทำเขาเสียดายเงินเขาเอาเงินนี้ไปซื้อของที่เขาอยากจะได้ดีกว่าซื้อเสื้อผ้าซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่หรือซื้ออะไรต่างๆที่เขาอยากจะได้แล้วเขาก็คิดว่าเขาได้กาไร เขามีความสุขแต่เขามองสั้นๆเขามองเพียงพบนี้ชาตินี้เขาไม่มองถึงชาติหน้าถ้าเปียบเที่ยวก็เหมือนชาวนาที่ปลูกข้าวแล้วหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวได้ข้าวมามากน้อยเพียงไรก็เอาไปขายกินหมดไม่เก็บเอาไว้ปลูกสำหรับปีหน้าพอถึงเวลาทำนาก็ไม่มีข้าวที่จะมาปลูก พอเอาข้าวนี้ไปขายหมดไม่ได้แบ่งเก็บเอาไว้เพื่อที่จะปลูกข้าวสําหรับในปีต่อไปพอปีหน้าก็ไม่มีข้าวกินไม่มีเงินใช้เพราะว่าเอาข้าวที่หาได้ในปีนี้ไปขายกินหมดแต่ถ้าเขาฉลาดเขาแบ่งเอาข้าวเก็บไว้และแบ่งไว้มากกว่าปีก่อนปีก่อนแบ่งไว้ทาเพียงสามไร่ ทีนี้เขาแบ่งเพิ่มทาเป็นห้าไร่หกไร่พอปีหน้าเขาก็จะได้ข้าวมากกว่าปีที่แล้วนี่ก็คือการทำบุญเป็นอย่างนี้เป็นการหวานข้าวไว้ในานานี้เองถ้าเราเสียดายเงินเสียดายทองเอาเงินมาซื้อความสุขในปัจจุบันนี้จนหมดไปพอตายไปเวลาไปเกิดใหม่เราก็จะไม่มีเงิน ทองรอเราอยู่เราก็จะต้องไปเกิดเป็นคนยากคนจนแล้วก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเช้ากินข้ามไม่มีโอกาสที่จะร่มรวยขึ้นมาได้เพราะเราไม่มีความอดทนอดกั้นพอที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญนั่นเองอยากจะได้อะไรก็ซื้ออยากจะกินอะไรก็กิน โดยกระทั่งไม่มีเงินที่จะแบ่งมาทำบุญแต่คนที่ฉลาดคนที่เชื่อว่าการทำบุญนี้มีอนิสงส์ทำให้ชีวิตภายในภาคหน้าคือพพหน้าชาติหน้านั้นดีขึ้นกว่าเดิมจะมีฐานะการเงินดีขึ้นกว่าเก่า <c oughs> ก็เลยยอมอดทนอดกลัน้นเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเอามาทาบุญ นี่คือเรื่องของการพัฒนาจิตใจใจนี้ต้องอาศัยการพัฒนาด้วยการทำบุญให้ทานแล้วก็ต้องอาศัยการรักษาศีลเพราะการรักษาศีลนี้จะทำให้ใจนี้สูงขึ้นมนุษย์กับเดรัจฉานี้แตกต่างกันตรงไหนก็แตกแ ต, ต่างกันตรงที่มนุษย์มีศีลแต่เดรัจฉานเขาไม่มีศีลกัน เดรัจฉานี้เขาจะต้องฆ่ากันเพื่อที่จะเอาตัวรอดแต่มนุษย์เรานี้เขารบในชีวิตของกันแลกกันเราจะไม่ฆ่ากันเพื่อที่เอาเอาร่างกายของคนอื่นมาเป็นอาหารเรายอมอดทนทำมาหากินแล้วก็ได้เอาไรายได้นี้มาซื้ออาหารรับประทานเราจึงมีศีลมากกว่าเดรัจฉาน และถ้าเราอยากจะมีสูงกว่านี้เราก็ต้องรักษาศีลให้มากกว่านี้เราก็จิตใจก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะได้เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอริยบุคคลได้เป็นพระอาหารหัน์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนนี่คือการพัฒนาใจต้องให้ทานแล้วก็ต้องรักษาศีลแล้วก็ต้อง ทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุขจะมีความอิ่มจะมีความพอจะไม่คิดร้ายกับผู้อื่นใจที่ไม่มีความสงบนี้จะคิดร้ายกับผู้อื่นเสมอเพราะใจมีความโลภอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะมองคนอื่นว่าเขาจะแย่งสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเราไป เพราะเราหวงเราอยากได้พอเห็นคนอื่นเราก็กลัวว่าเขาก็จะอยากได้เหมือนกันเพราะทุกคนก็มีความโลภเหมือนกันเพราะทุกคนไม่มีความสงบทุกคนไม่รู้ว่าการทำจิตใจให้สงบนี้มีคุณประโยชน์หลายประการด้วยกันมีคุณประโยชน์คือทำให้ใจเขามีความอิ่มมีความสุด และจะทำให้เขาไม่มีความโลภอยากได้สิ่งต่างๆจะทำให้เขาไม่ต้องไปคิดร้ายต่อผู้อื่นและไม่ต้องไปทำร้ายผู้อื่นแต่คนที่มีความโลภนี้จะคิดร้ายกับผู้อื่นจะเห็นคนอื่นว่าไม่ดีเช่นเราไม่มีแล้วคนอื่นเขามีเราก็จะคิดว่าเขาโหดร้ายทารุณเขามีมากกว่าเราเราไม่มี เขาเราไม่เคยคิดแล้วว่ามันเป็นเรื่องของบุญหรือของกรรมเราไม่ได้ทำบุญมาเราจึงไม่มีเราทำไมไม่คิดว่าเขาทำบุญมาเขาจึงมีกันแต่เรากลับไปคิดว่าเขาเอารัดเอาเปรียบเราเขาไม่ยุติธรรมเขารวยกับเรานี่แสดงว่าไม่ยุติธรรมเขาคิดว่าเราคิดว่าทุกคนต้องรวยเท่ากันต้องมีฐานะเท่ากัน แต่นี่มันขัดหลักของกรรมขัดหลักของเหตุของผลเพราะพวกเราทุกคนสร้างบุญมาไม่เท่ากันสร้างกุศลมาไม่เท่ากันแล้วจะมาให้มีเงินทองเท่ากันได้ได้อย่างไรคนที่เขาทําบุญมามากเขาก็ต้องมีมากกว่าเราเป็นธรรมดาคนที่ทําบุญมาน้อยก็ต้องมีน้อยกว่าเป็นธรรมดานี่เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่ามนุษย์จะมาเกิดในโลกนี้นานสักเท่าไหร่ก็ตามมนุษย์นี้ก็จะไม่มีความเท่าเทียมกันเพราะจิตใจของมนุษย์เหล่านี้มีความสูงต่ำไม่เท่ากันมีความใจบุญไม่เท่ากันใจบาปไม่เท่ากันจึงทำบุญทำบาปไม่เท่ากันผลจึงไม่เท่ากันความเจริญความร่ำรวยจึงไม่เท่ากัน จะมาให้ทุกคนนี้ร่ำรวยเท่ากันนี้ไม่ได้แต่จะให้คนรวยมาช่วยคนจนบ้าง น, นี้ก็ช่วยได้แต่ต้องช่วยในลักษณะที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนคือต้องมาช่วยคนจนให้รู้จักท ร, รมาหากินช่วยตัวเองให้มีเงินทองมากขึ้นเช่นให้การศึกษากับเขา สร้างโรงเรียนให้เขาได้มีโอกาสได้รับเรียนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับวิชาความรู้คนที่มีวิชาความรู้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่มีวิชาความรู้เวลาเราไปสมัครงานเขาจะถามเราเลยว่าเราจบชั้นไหนมาแล้วเขาจะเลือกงานให้เราเหมาะกับการศึกษาของเราถ้าเราการศึกษาต่ำ งานที่เราได้ก็จะเป็นงานที่ต่งถ้าการศึกษาของเราสูงเราก็จะได้งานที่สูงตำแหน่งสูงเพราะว่าคนที่มีการศึกษานั้นฉลาดรู้สามารถทำอะไรที่เกิดประโยชน์ได้มากกว่าคนที่ไม่มีการศึกษาดังนั้นถ้าคนมีถ้าอยากจะช่วยคนจนก็ให้ช่วยแบบนี้คือให้เขามีความรู้ ก็่เขาจะได้ช่วยตัวเองไม่ใช่เอาเงินมาแจากเขาเอาเงินมาแจากเขาเท่าไหร่ก็จะไม่พอให้เขาไปเดี๋ยวเขาก็ไปใช้ตามนิสัยของเขาถ้าเขาชอบชอบอบายามุขเขาก็จะไปใช้กับอบายามุขเอาไปเดือบสุราเอาไปเล่นการพนันไม่กี่วันเงินก็หมดเขาก็กลับมาขอเราใหมา่ถ้าเราไม่ให้เขาก็หาว่าเราใจใจแคบ ไม่มีความสงสารเขาเขาก็จะเกิดความโกรธความเกลียด น, นี่เป็นไม่ใช่เป็นวิธีที่ช่วยเหลือที่ถูกต้องการช่วยเหลือต้องช่วยเหลือให้เขาได้ช่วยตัวเขาเองเช่นเวลาคนล้มเราก็ทัพยุงให้เขารูปขึ้นมายืนบนลำแข้งบนลำขาของเขาให้ได้ไม่ใช่อุ้มเขาไปตลอดเขาก็สบายสิคนอุ้มก็ต้องเหนื่อยตาย นี่ไม่ใช่ป็นการช่วยที่ถูกต้องการช่วยที่ถูกต้องต้องสอนให้เขาช่วยตัวเขาเองให้ได้ถ้าเขาไม่มีความรู้ก็หาวิชาความรู้ให้เขาให้เขาได้ศึกษาได้ฝึกงานฝึกการเพื่อเขาจะได้ไปทำงานทําการมีรายได้ของเขาเองไม่ใช่มัวแต่จะคอยให้เงินเขาอย่างเดียวให้เงินเขาเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะพอได้ เพราะเขาไม่รู้จักหาเงินนั่นเองรู้แต่ใช้เงินอย่างเดียวนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนรวยกับคนจนคนรวยถ้ามีมากแล้วก็ควรที่จะเอาเงินนี้มาทำบุญทำทานเพื่อที่จะสะสมเป็นทรัพย์สมบัติไว้ในภพหน้าชาติหน้าต่อไป และในขณะเดียวกันก็จะได้ช่วยเหลือพี่นอ้องเพื่อนมนุษย์ที่ยากจนให้เขาได้มีโอกาสงโง่หัวขึ้นมาได้บ้างให้เขามีโอกาสได้พัฒนาฐานะของเขาให้เขาให้ดีขึ้นได้ดูประเทศที่เขามีการพัฒนาที่จเจริญคนยากจนเขาน้อยมากเพราะอะไรเพราะทุกคนมีโอกาสได้เรียนหนังสือกันทุกคนมีโอกาสได้เรียนหนังสือถึง ระดับมาหาวิทยาลัย ร, รัฐบาลจะช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายให้เป็นส่วนใหญ่คนใดคนไหนอยากจะเรียนหนังสือมีโอกาสได้เรียนกับทุกคนแต่ประเทศที่ได้พัฒนาอย่างประเทศเหล่านี้ยังขาดโรงเรียนอยู่มากเด็กที่อยากจะเรียนยังไม่มีโรงเรียนให้เรียนหรือยังไม่มีไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนเพราะยากจน ถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องจนไปเรื่อยๆแล้วลูกของเขาออกมาก็ต้องยากจนเหมือนกับเขาก็จะเกิดปัญหาทางสังคมขึ้นมาว่าคนยากจนเขาก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้เขารวยแต่ถ้าก็หามาโดยวิธีไม่ถูกต้องเช่นออกมาเรียกร้องออกมาผ้าทวงออกมาสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น การกระทำแบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเขาเองและกับผู้อื่นเพราะตัวเขาเองก็จะไม่ได้สิ่งที่เขาเรียกร้องเพราะจะไม่มีใครให้เขาได้แล้วเขาเองก็ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวถ้าเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นดังนั้นคนเราต้องยอมรับหลักกรรมคำสอนหลักหลักกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัตว์โลกทั้งหลาย มีกรรมเป็นตัวจำแนกให้สูงให้ต่ำให้รวยให้จนให้ฉลาดให้โง่เราเกิดมาแล้วเรารวยหรือเราจนห ร, หรือเรามีฐานะอย่างไรขอให้เรายอมรับฐานะของเรานี้ไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจนตลอดไปคนจนก็รวยได้คนโง่ก็ฉลาดได้ขอให้เรามีความ ความขยันที่จะพัฒนาตัวเราเองเถอะให้เราใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาถ้าเราไม่มีความรู้ก็พยายามหาความรู้ถ้าเรียนหนังเรียนเรียนหนังสือได้ก็เรียนไปถ้าเรียนไม่ได้ก็เรียนนอกโรงเรียนก็ได้ไปทำงานไปฝึกงานกับเขาก็ได้คนบางคนนี้เขาไม่ได้จบมาหาวิทยาลัย ไ, ไม่มีปริญญาแต่เขากลับเป็นมหาเศรษฐี สามารถจ้างคนที่จบปริญญาได้เป็นร้อยเป็นพันเพราะเขาใฝ่รู้เขาเรียนรู้นอกห้องเรียนเขาเรียนรู้จากประสบะการณ์เขาไปทำงานแล้วเขาก็เรียนรู้ต่างๆจากการที่เขาเห็นนี่แหละสิ่งที่เราเห็นนี้เป็นเหมือนหนังสือถ้าเรารู้จักคิดสักหน่อยเอาสิ่งที่เราเห็นนี้มาสอนใจเราได้ เราก็จะฉลาดได้เราก็จะรวยขึ้นมาได้เสรษจีที่เป็นเศรษฐีในปัจจุบันนี้ลองไปศึกษาดูประวัติของเขาดูเขาไม่มีปริญญาเขาไม่มีพ่อแม่ที่เป็นเศรษจีเขามีเสือใบหมอนใบเท่านั้นเองแต่เขามีความใฝ่รู้เขามีความขยันเขามีความอดทนเขายอมรับฐานะของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ แต่เขาไม่งอมืองอเท้าและไม่เรียกร้องจากใครเ ท, ท้งนั้นเขาพยายามสร้างฐานะของเขาขึ้นมาด้วยการศึกษาด้วยความขยิบหมันเที่ยงด้วยความอดอ่อนจนกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้อยู่ที่ตัวเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนอยู่แล้วว่าอัตตาหิอัตนโนานาโถตนเป็นที่พึ่งของตน ดังนั้นอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นอย่าไปเรียกร้องอย่าไปขออะไรจากคนอื่นขอให้เราหัดช่วยตัว เ, เองเถอะถ้าเราช่วยตัวเราได้แล้วเราจะช่วยตัวเราได้ไปตลอดถ้าเราขอคนอื่นเราก็ต้องขอเขาไปตลอดต้องเป็นขอทานไปตลอดต้องพึ่งเขาไปตลอดแล้วถ้าเวลาใดเขาไม่ให้เราพึ่งเวลานั้นเราก็จะเดือดร้อนขึ้นม า, าทันที แต่ถ้าเรารู้จักพึ่งตัวเราเองยอมอดทนจะทุกจะยากจะลำบากอย่างไรก็จะไม่ขออะไรจากใครขอสู้ด้วยกำลังของตนเองแล้วเราจะเป็นค น, คนที่มีความแข็งแกร่งจะมีคนจะเป็นคนที่มีความอดทนและจะสามารถพึ่งตัวเราเองได้จะไม่ต้องพึ่งผู้อื่นนี่แหละคือการพัฒนาที่ยิ่งยง ที่สาวอก็คือการพัฒนาจิตใจของเราให้มีสติให้มีปัญญาให้มีความอดทนให้มีความขยันให้มีความอดกลั้นแล้วรับรองได้ว่าพพชาติของเราจะพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพัฒนามาในทุกภพทุกชาติพระพุทธเจ้าไม่พึ่งใครพระพุทธเจ้าพึ่งตนเอง สร้างบารมีด้วยตนเองทำบุญให้ทางรักษาติสิงห์ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอยู่มาตลอดจนได้ตดั้นรู้เป็นพระอรหันต์จตฺถามาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นสถรณะเันที่พึ่งของพวกเราพวกเราก็ต้องยึดแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งของเราเป็นแบบของเราทำตามพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้ เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าต่อไปอย่างแ น, น่นอนนี่คือการพัฒนาที่แท้จริงขอให้เราหันมาพัฒนาที่ตัวเราพัฒนาใจของเราอย่าไปสนใจกับการพัฒนาสิ่งอื่นเพามันไม่เป็นการพัฒนาที่ถาวรและอาจจะเป็นการทำให้จิตใจของเราเสี่อได้เช่นถ้าเราอยากจะเป็นมหาจักรพรรดิก็ต้องไปทำสงคาม ต่คุกคามประเทศอื่นเพื่อยึดครองประเทศเขามาอยู่ภายใต้อำนาจของเราเราก็ต้องฆ่าคนเป็นจำนวนมากสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเป็นจานวนมากแทนที่เราจะพัฒนาสูงขึ้นเรากลับเสือเ่อมลงคือใจของเราจะเสื่อมลับลงจากมนุษย์ก็จะเป็นเดรัจฉานไปดังนั้นขอให้เราให้ความสาคัญต่อการพัฒนาจิตใจ ยิ่งกว่าเศษงในใดในโลกเพราะเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นการพัฒนาตัวเราอย่างแท้จริงจึงขอให้ท่านได้นำเอาเรื่องของการพัฒนาในวันนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปตามแสดงก็เห็นว่าผมควรเสเวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณภระศรีรัตนตรไรและบุญอุษณที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอกเป็นกัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข็งแางปลอดภัยจากทุกไยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยชั่วหน้าตาเธอ